เชิญพระวจนะหัวข้อการอธิษฐานและการทรงเรียกพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อสิและเอเฟซัสบทที่หข้อสิความว่าหนึ่งเทสโลนิกาบทที่หข้อสิจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเอเฟซัสบทที่ 6: ข้อสิจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่าง จงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อธรรมิกชนทุกคนในช้าวันนี้นะครับหัวข้อที่จะนำมาแบ่งปันให้กับทุกๆ ท, ท่านก็คือการอธิษฐานและการทรงเรียกเป็นครับพระเจ้าได้ทรงเรียกให้เราอธิษฐานถือว่าเป็นคาสั่ง นะครับหลายหลคนเนี่ยหลายท่านนะครับก็มีประสบการณ์เรื่องการอธิษฐานแตกต่างกันไปบางท่านก็บอกว่าผมจะอธิษฐานก็ต่อเมื่อผมมีความต้องการรับความช่วยเหลือจากพระเจ้าเท่านั้นบางคนบอกว่าไม่ใช่ผมอธิษฐานตลอดหรือบางคนบอกว่าผมจะอธิษฐานก็ต่อเมื่อผมจนมุมจนบัญญาแล้วพี่นะครับเรามีท่าทีต่อการอธิษฐานอย่างไรและเราอยากจะอธิษฐานมากน้อยแค่ไหนการอธิษฐานนั้น ก็ถือว่าเป็นการพึ่งพาพระเจ้านะครับมีผู้คนกล่าวอย่างนี้ครับว่าหากจะมีเส้นได้ที่ผูกชีวิตคริสเตียนของเราทุกวันตลอดสิ่งนั้นก็คือการอธิษฐานการอธิษฐานนั้นสามารถเชื่อมโยงจิตวิญญาณของเราเข้าหากันได้การอธิษฐานคือการถักทอพวกเรานะครับให้เป็นพรมผืนใหญ่ที่สวยงามและคําอธิษฐานนั้นนะครับ หรือการอธิษฐานนะั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่พู ด, ค, พดคุยกับคนอื่นเราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าอย่างเดียวหรือเราจะต้องอธิษฐานหลับตานะครับหรือท่าทางอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าไม่มีสิ่งไหนนะครับที่เล็กเกินไปที่เราจะอธิษฐานไม่ได้หรือใหญ่เกินไปที่พระเจ้าจะช่วยเราไม่ได้เพราะว่าพระเจ้าสร้างเราทั้งหลายมานะครับรทรงสงสนใจชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนและพ ร, ระองค์ปรารถนา ที่จะให้เราอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์เพื่อที่ว่าเราเองนั้นจะมีท่าทีในใจครับจะมีท่าทีในใจในการพึ่งพาพระเจ้าเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงถูกพระเจ้าเรียกร้องถูกเรียกให้เราอธิษฐานเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้พระว จ, จนะของพระเจ้าที่มีในพระธรรมหนึ่งเทสุนิกาบทที่5้าข้อสิและเอเฟซัสบทที่6กข้อสินั้นสรุปได้คําเดียวก็คือว่าจงอธิษฐาน จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอเอเฟซัสบทที่6กข้อสิบอกว่าจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อทำมิกชนทุกคนอธิษฐานเพื่อทำมิกชนทุกคนนี่คือการถักทอและผูกพันเราทั้งหลายไว้ด้วยกันถ้าเราจะถามว่าเราเป็นคริสเตียนเราจะวัดได้ยังไงว่าเราเติบโตมากน้อยขนาดไหน เราจะต้องวัดจากการที่เราใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนเวลาที่เราเข้าเฝ้าพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนเวลาที่เราได้ยินพระสวรเสียงการตรัสของพระเจ้าในชุดของเรามากน้อยขนาดไหนและเวลาที่เราได้แบ่งปันให้บางสิ่งบางอย่างออกไปมากน้อยขนาดไหนพี่น้องครับไม่มีวิธีการใดหรือท่าทางใดๆ ใ, ในการอธิษฐานซึ่งทําให้การอธิษฐานของเราถูกต้องมากกว่าหลักการที่สําคัญก็คือหัวใจและท่าทีแห่งการอธิษฐานครับ อันอธิษฐานนั้นไม่ขึ้นกับวิธีการหรือท่าทางใดๆครับแต่ขึ้นกับหัวใจแห่งการที่เราจะพึ่งพาพระเจ้าท่าทีในใจและความตั้งแจงเหล่านี้แหละครับก็คือเป็นหลักการสำคัญในการอธิษฐานพี่น้องครับเราต้องถามตัวเองนะครับว่าทําไมเราต้องอธิษฐานพี่น้องเห็นในภาพนี้นะครับเวลาคนจะขับรถเขาจะขึ้นหลังรถเขาก็หลังพวงมาลัยอธิษฐานนะครับเวลาที่ออกไปทัศนาจรหรือจะไป เรคเรียชันนะครับสันทนาการก็อธิษฐานได้ทุกเวลาเพราะฉะนั้นไม่ขึ้นกับท่าทางไม่ขึ้นนะครับอยู่กับวิธีการไม่ขึ้นกับท่าทางแต่ขึ้นอยู่กับท่าทีในการอธิษฐานครับเพราะฉะนั้นทําไมเราจะต้องอธิษฐานตอบคําถามได้อยู่สาประการครับประการแรกก็คือเป็นคําสั่งของพระเจ้าเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าที่เราจะต้องอธิษฐานเพื่อเราจะได้รับความช่วยเหลือที่มาจากพระองค์ประการที่สองก็คือ เป็นช่องทางที่พระเจ้าจะเทพระพรเข้ามาในชีวิตของเราและตอบคําอธิษฐานของเราประการที่สก็คือเป็นการยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้าและอํานาจอธิปไตยของพระเจ้าสประการนี้เป็นเหตุผลเพียงพอที่เราจะตอบตัวเองว่าทําไมเราจะต้องอธิษฐานเพราะเรากําลังขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าคนที่จะขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าได้นั่นหมายความว่าเขาต้องรู้ขีดความสามารถของตัวเองรู้ความจํากัดของตัวเอง เขารู้ว่าเขาจะต้องพึ่งพระเจ้าในทุกๆกรณีในชีวิตของเขาเขาถึงจะได้รับทางออกทางแก้ไขปัญหาชีวิตของเขาเป็นช่องทางการเทพพรพี่น้องครับถ้าหากว่าเราอยากจะได้พระพรมากยิ่งขึ้นเราจะต้องอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอครับและเราจะได้คําตอบคำอธิษฐานของพระเจ้าจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าในชีวิตส่วนตัวของเราในการเติบโตกับพระเจ้าประการที่สก็คือการอธิษฐานนั้นเป็นท่าทีของการยอมรับน้ำพระทัยและการทรงนําของพระเจ้า อำนาจอธิปไตยของพระเจ้าในการทําทุกสิ่งได้ในชีวิตของเราทั้งหลายเพราะที่เกิดจากความรักของพระเจ้านะครับทรงทรงมีน้ำพระทัยดีๆเลิศประเสริฐกับชีวิตของเรานั่นแหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เราต้องอธิษฐานเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกกับพี่น้องนะครับอยากจะเรียนให้ทราบว่าเราอธิษฐานได้ในทุกๆรูปแบบเราอธิษฐานได้ในทุกที่และเราอธิษฐานได้ในทุกเวลาเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราอธิษฐานตอนเช้า อธิษฐานตอนบ่ายอธิษฐานตอนค่ำอธิษฐานยามตื่นอธิษฐานก่อนนอนนะครับเราอธิษฐานได้หมดทูลทุกอย่างให้กับพระเจ้าได้และไม่มีสิ่งใดจะมาทดแทนกันอธิษฐานได้เราอาจจะอธิษฐานท่ามกลางผู้คนอื่นๆในกลุ่มแคร์หรือในคริสตจักรเราอธิษฐานเป็นลําพังส่วนตัวได้อธิษฐานออกเสียงเงียบๆก็ได้ อธิษฐานออกเสียงดังก็ได้เราจะคุกเข่าอธิษฐานก็ได้ยืนอธิษฐานนั่งอธิษฐานนอนอธิษฐานหรือขับรถอธิษฐานแต่ต้องลืมตานะครับขับรถอธิษฐานได้เราจะเงยหน้าขึ้นฟ้าสวรรค์อธิษฐานก็ได้ปิดตาก้มหน้าพนมมือหรือยืนเฉยเฉยอธิษฐานได้พี่น้องครับเราเห็นท่าทางการอธิษฐานนะครับในในพระคัมภีร์หรือสถานการณ์ต่างๆนะครับเช่นดานิเอลดานิเอลอธิษฐานที่ไหนครับใน ท้ำถำสิงนะครับเห็ดาวิดอธิษฐานที่ไหนครับในท้องทุ่งเห็นเปโตรอธิษฐานที่ไหนครับเห็นโยนาอธิษฐานก็ที่ไหนครับ น, น, รนั่นแหละครั บ, ค, ร บ, ค, รบคือสถานที่ที่ทุกสถานที่เราอธิษฐานได้อธิษฐานได้ตลอดสําคัญคือว่าต้องอธิษฐานตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะมาทำคำแก้ะนะว่าพระมกีบอกว่าจงอธิษฐานอย่างสวัสดเสมอเนี่ยหมายความว่าอธิษฐานตลอดเนี่ยคืออะไร ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับเราจะมาดูชุดคำสั่งอยู่3าประการแพ็กเกจของการอธิษฐานในพระเจนะพระเจ้าตอนนี้ใน 1. เทนงเทศาบทที่ 5. ข้อ1 6ถึงนะครับเราเห็นแพ็กเกจ3อย่างด้วยกันครับตรงตัวอักษรที่เป็นสีนะครับหนึ่งคือแพ็กเกจนี้ชุดคำสั่งนี้คือจงครับเริ่มต้นในคำ ว, ว่าจงนะจงอิจงชื่นบานอยู่เสมอสองจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ3 จงขอบพระคุณในทุกกรณีอันนี้เกี่ยวข้องกับการอธิษฐานทั้งสิ้นพระคัมภีร์สรุปว่านี่เป็นน้ําพระทัยนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสเพื่อท่านทั้งหลายพูดง่ายๆก็คือว่าเราจะมีความสามารถในการชื่นบานได้เนี่ยก็คือเพราะพระเยซูเราจะสามารถอธิษฐานอย่างสม่ําเสมอตลอดเวลาได้ก็โดยพระเยซูนะครับเราจะสามารถขอบพระคุณในทุกกรณีได้ก็ เพราะพระเยซูนีน่นะครับในพระเจ้านักพระเจ้าตอนนี้ทำให้เราเห็นถึงชุดคําสั่งอยู่สามประการตรงนี้นะครับพี่น้องครับเราจะมาดูในเช้าวันนี้ว่าชุดคําสั่งทั้งสามชุดแต่และคําสั่งนั้นมีความหมายว่าอย่างไรประการแรกครับคําว่าจงชื่นบานอยู่เสมอเราจะชื่นบานได้อย่างไงเมื่องพีฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อที่6นะครับบอกว่า <c oughs> อย่าทุกร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่าง ต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณคำว่าชื่นบานตรงข้ามกับว่าไม่ทุกร้อนนะครับทุกร้อนตรงข้ามกับคำว่าชื่นบานพน้ครับเราจะมีความชื่นบานเนี่ยนะครับเราจะมี h a p p i n เ s s เราจะมี Peace เราจะมี j อยได้เนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการอธิษฐานเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบครับหลายๆครั้งทีเดียวชีวิตของเรานะครับ หน้าตาเนี่ยเหมือนคนอมทุกข์นะครับตรงนี้ต้องบอกกับทุกทท่านบอกว่าสมาชิกของเราเนี่ยนะครับท่านมีความรักต่อสีบานมากเลยวันไหนเนี่ยที่สีบานไม่ค่อยยิ้มนะครับท่านมากักจะถามสีบานว่าอาจารย์วันนี้อาจารย์มีความทุกข์อะไรหรือเปล่านะมีความรู้สึกเป็นห่วงกังวลอะไรไม่เห็นวันนี้อาจารย์หน้าไม่ค่อยยิ้มเลยเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยใบหน้าปกติของผมเนี่ย ก็เหมือนกับคนอมทุกข์ะครับเพราะว่ามันมีความคิดตลอดเวลาว่าจะทำยังไงดีจะทำนู่นนี่จะดูแลเรื่องต่างเราอย่า ง, างไรพี่น้องครับผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าคนที่มีความสุขอยู่ในใจนะฮะก็มองที่สายตาของเขาหน้าหน้าตาหรือว่าสายตานะครับเป็นหน้าต่างของหัวใจถ้าเรามีความสุขในใจเนี่ยสายตาจะบ่งบอก แม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้ยิ้มก็ตามผมอยากบอกว่าท่าทีของความมีสติรู้ว่ามีพระเจ้าและพระเจ้าครอบครองควบคุมอยู่เนี่ยนะครับเป็นท่าทีที่แสดงออกมาถึงการพึ่งพาพระเจ้าและหัวใจของการอธิษฐานข้างในนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าความรู้สึกที่ต้องพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยมันแสดงออกมาด้วยการอธิษฐาน ถ้าเราอธิษฐานบ่อยๆเนี่ยแสดงว่าเรายอมจำนนกับพระเจ้าในเรื่องราต่างๆมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแต่นี่เป็นตัวบ่งชี้ครับว่าชีวิตของเราเนี่ยสนิทสนมกับพระเจ้ามากแค่ไหนถ้าเราบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นอิมมาโนเอลนะนะโปร่งทรงสถิตกับเราถามว่าเราตอบสนองด้วยการยอมจำนนกับพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนเป็นการที่เรามอบถวายชีวิตมอบถวายอน า, าคตมอบถวายแผนงานของเราให้กับพระเจ้า มากน้อยขนาดไหนในขณะที่ตื่นตัวแล้วระมัดระวังและรู้ตระหนักตลอดเวลาว่าพระเจ้าอยู่กับเราเนี่ยจะแสดงออกด้วยวิธีการอธิษฐานด้วยเหตุ น, นี้นะครับเมื่อเราอธิษฐานเราจะมีความชื่นบานเพี้องอยากมีความชื่นบานไหครับเวลาเราเครียดเนี่ยเราต้องอธิษฐานครับ อธิษฐานมอบภาระของเราการอธิษฐานนั้นเป็นการยอมจำนนพึ่งพาพระเจ้านะครับมอบภาระาของเราทั้งสิ้นไว้กับพระองค์แล้วพระเจ้าจะเป็นผู้ที่แบกแทนเราด้วยเหตุ น, นี้ภาระาตรงนั้นเนี่ยจึงไม่ใช่เป็นภาระาของเราอีกต่อไปครับจะเป็นภาระาที่พระเจ้ารับมอบจากเราไปแล้วเราจึงมีความสบายใจเราจึงมีความสุขเราจึงมีความชื่นบานได้ครับ นี่เป็นเหตุเป็นผลของการที่เราจะต้องอธิษฐานเพราะอะไรครับเราอยากจะมีความชื่นบานไหมถ้าเราอยากมีความชื่นบานเราจะมีความสันติเราจะมีสันติสุขในชีวิตของเราเนี่ยเราต้องอธิษฐานหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเราคิดไม่ตกนอนไม่หลับนะครับเรามีความกังวลมากมายต่างๆเนี่ยนะครับและเราก็ขาดทุนความสุขขาดทุนกําไรแห่งความสุขเพราะอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีความชื่นบานเพราะเราขาดการอธิษฐานลอง ลองคิดใหม่นะครับทำใหม่นะครับกลับใจใหม่นะครับว่าเอความทุกข์ความกังวลความเครียดที่เรามีอยู่ทุกวันนี้มันเกิดจากอะไรเกิดจากเราแบกภาระของเราเองเราไม่ได้ให้พระเยซูช่วยแบกภาระของเราเราไม่ได้ละความกังวลกวายนะครับในพระธรรมหนึ่งเปรตตัวบทที่5าข้อว่าให้เราละความกังวลกวายไว้กับพระเจ้า ให้เราละความกังวลกังวายไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายพี่น้องครับผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์นะครับด้วยกันบนจอนี้นะครับหลายครั้งทีเดียวเนี่ยความกังวลกระวายความทุกข์ความเครียดความกังวลของเราเนี่ยเราเก็บไว้นะครับคําว่าละความกังวลกังวายพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้คำวา่า cast cast แปลว่าอะไรครับห่เวียงเวียงมันออกไปนะครับ เราเคยล้องเพลงกลิ้งออกไปกลิ้งออกไปกลิ้งออกไปนะครับบรรดาภาระหนักแห่งใจกลิ้งออกไปหมายความว่าให้มันหลุดออกไปจากชีวิตของเราการอวี่งตรงนี้ฮะสำคัญมากครับการหวี่งคืออะไรครับก็คือใช้ความใช้ความเร็วและความแรงเวี้ยงมันออกไปเลย cast all your anxiety all your burden on him because he cares for you พระเจ้าทรงห่วงใยเรานะครับ ทรงสงห่วงใหเราเพราะว่าพระเจ้ารักเราพระเจ้าสร้างเรามาพระเจ้าไม่ทอดทิ้งเราให้เราจมปลักอยู่กับความกังวลความเครียดและการอธิษฐานนี่แหละครับเป็นวิธีการในการูเวียงนะครับเวียงเอาความกังวลกวายเวียงเอาความทุกข์ยากลำบากเวียงเอาความกังวลความเครียดออกไปจากชีวิตของเราพี่น้องอามนนะครับให้เราอ่านพร้อมกันนะครับให้เราละความกวนกวายไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านังหลายอีกครั้งครับ ให้เราละความกังวลกระวายไว้กับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายอาเมนต่อไปนี้นะครับเวลาที่เรามีความทุกข์เรามีความกังวลเรามีความเครียดเรามีความกรธกว็วัยเราสึกว่ามันไม่ปกติเขา่าอธิษฐานครับชูมือก็ได้นะครับหรือจากทิษฐานเป็นภาษาอะไรก็ได้เป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษภ า, า, าษาจีนก็ได้นะหรือเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะอธิษฐานคือการเทใจอธิษฐานนี้คือธาทีที่อยู่ในใจ เราจะได้รับความชื่นชมยินดีครับพี่น้องครับคุณลักษณะหรือว่านิสัยนะครับอย่างหนึ่งของคริสเตียนเราก็คือเรามีความชื่นชมยินดีชื่นชมยินดีนั้นไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ภายนอกชื่นชมยินดีไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีทุกขนะครับชื่นชมยินดีไม่ได้หมายความว่าเรามีไม่มีความกังวลแต่ความทุกข์ความกังวลต่างๆนี่เรามอบให้กับพระองค์แล้วเป็นจึงเกิด พระคำพตีตอนนี้ว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระบุพเนเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดทาไมอาจารย์ป ร, รุลต้องย้ำครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนที่ติดตามพระเจ้าคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยชีวิตของเขาเนี่ยถูกคมเหงนะครับชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ในความทุกข์ยากลาบากบางครั้งเนี่ยต้องหนีบางครั้งนี้ต้องถึงขนาดความตายต้องทนทุกข์เพราะความเชื่อของเขาจากตรงนี้นี่เองเนี่ ย, ยทำให้เราเห็นถึงภาพอย่างว่าเราจะมีความ ชื่นชมยินดีตลอดเวลาได้อย่างไงท่ามกลางความลําบากความทุกข์การขม่มเหงเพราะอะไรครับเพราะว่าเรามีองค์พระผู้เป็นเจ้าและสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวครับที่เราแตกต่างจากศาสนาอื่นก็คือว่าเรามีพระเจ้าผู้ทรงประทานความชื่นชมยินดีและความชื่นบานให้กับเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นผลของการชื่นชมยินดีก็คือว่าเป็นเราจะมีชีวิตที่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับการที่เราอยากจะมีชีวิตที่พระเจ้าพอใจพระเจ้า พอพระไทยเราเราต้องมีความชื่นชมิดีหากชีวิตของเรายังหงอยเหงายังวิตกกังวลอยู่ยังเครียดอยู่ยังกลัวอยู่หรือยังมีความรู้สึกวุ่นวายใจจนขาดสันติสุขชีวิตของเราก็ขาดสง่าราศีไม่ได้ถวายเกียรติแพระเจ้าแต่ถ้าชีวิตของเรานั้นมีสันติสุขเราจะมีความสงบและเราจะรู้จักพึ่งพาพระเจ้าตลอดเวลาและนี่คือช่องทางพิเศษครับเวลาที่เราจะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างหนึ่งเวลาที่เราจะแก้ไขปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่ง เราจะพบกับทางออกได้โดยการที่เราไว้วางใจพระเจ้าและการอธิษฐานผมอยากจะมอบพัมพีข้อนี้นะครับในพระธรรมหาบากุซึ่งหลายหลายท่านยังไม่รู้นะครับว่าหาบากุนี่อยู่ตรงไหนนะครับเป็นพระว จ, จนะเป็นผู้เผยพนะาน้อยนะครับนะแต่ว่าหลายๆคนก็หลายๆท่านก็ก็คุ้นเคยกับพัมพีข้อนี้นะครับแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือ ถาว่างูนไม่มีผลผลมะก อ, อกเทศก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงอันนี้คือภาพลบนะครับของชีวิตเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นมะเดือ่อไม่เป็นถาว่างูนผลมะก อ, อกเทศทุ่งนาฝูงสัตว์ไม่มีอะไรจังิน ถ้าเป็นเศรษฐกิจก็เศรษฐกิจขาลงนะครับไม่มีอะไรดีเลยถึงกระนั้นพังผืดบอกว่าข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าคนจะร่าเริงในพระเจ้าได้ยังไงคนจะเปรมปรีในพระเจ้าเห็นความรอดของข้าพเจ้าได้ยังไงเพราะว่าเขารู้ว่ายังมีอีกผู้หนึ่งที่รักเขาและไม่เคยปล่อยนะครับเราเลยก็คือพระเจ้า แย่พระเจ้านั้นเป็นกำลังของข้าพเจ้าพระเจ้าจะทรงกระทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียที่ยืนปีนป่ายภูเขาอยู่ครับพระพรีตอนนี้พูดถึงกวางนะครับไม่ใช่กวางที่หากินอยู่ตามพื้นราบแต่เป็นกวางภูเขาซึ่งหากินอยู่ตามถิ่นทุรกกันดารในทะเลทรายยูเดียในตะวันออกกลาง ตีนกวางตัวเมียถามว่าตัวผู้กับตัวเมียพี่น้องครับใครตัวใหญ่กว่ากันครับสัตว์นะครับไม่ใช่คนนะครับสัตว์ครับสัตว์ครับตัวผู้กับตัวเมียใครตัวใหญ่กว่ากันครับตัวเมียใหญ่กว่าตัวเมียในหลายเลครั้งทีเดียวนะครับตัวเมียต้องอุ้มทองและมันหากินหยุ่นภูเขาตามซอกเขาเนี่ยก็จะมีต้นหญ้าหรือต้นไม้ในที่เป็นอาหารของมัน แต่มันต้องเปียนอยู่นะครับในไหลเขาลืบเขาซอกเขาเนี่ยเท้าของมันนฮะต้องยืนอยู่ในสี่จุดเนี่ยมันถึงจะไม่ตกลงมาเท้าของเต็นกวางตัวเมียที่เดินไปบนที่สูงพี่น้องเห็นภาพไหมครับว่ามันเสี่ยงขนาดไหนแต่พระเจ้าก็ยังอะไรครับยังคุ้มครองและดูแลมันอยู่พี่น้องครับหลายเรืงทีเดียวในชีวิตของเราเนี่ยตกอยู่ในความเสี่ยงนะครับเหมือนกับกวางตัวเมีย ที่อาจจะอุ้มท้องอยู่ต้องมีภาระหลายอย่างอยู่เรายือนอยู่บนความเสี่ยงแล้วก้าวไปเนี่ยแต่และก้าวเนี่ยเสี่ยงหมดนะครับแต่ถามว่าถ้าเรามีพระเจ้าอยู่เราจะไม่กลัวเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้าและพระองคทรงกระทําให้เท้าของพระเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมียที่ทําให้ข้าพเจ้าเดินอยู่บนความเสี่ยงเดินอยู่บนที่สูงได้เพราะฉะนั้นนี่คือ ประโยชน์ของการอธิษฐานประการที่2ครับเกิดประโยชน์นะครับในการอธิษฐานของเราเวลาที่เรามีความชื่นบานนะครับเรามีความชื่นชมยินดีทางการแพทย์ก็บอกว่าสมองนั้นมีสารตัวหนึ่งครับเรียกว่าเอ็นโดฟินเอ็นโดฟินเนี่ยเกิดขึ้นกับความชื่นชมอินดีนะครับเอ็นโดฟินจะหลั่งออกมาตลอดเวลาเป็นสารแห่งความสุขและฮอร์โมอนตัวนี้เองทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นทําให้จิตใจของเราชื่นบานนะครับ มากขึ้นและทําให้เราได้เห็นถึงบางเสิ่งอย่างที่เราไม่เคยเห็นเกิดมี c r e ท t i v i t y ก็คือมีความสร้างสรรค์ขึ้นมาทําให้เกิดมีความสุขมีความชื่นบานมีความชื่นชมยินดีสุขภาพร่างกายทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณก็ดีและงดงามสวยงามนี่ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราอยากจะมีความชื่นบานอธิษฐานครับประการที่2ครับในแพ็กเกจ สามข้อนะครับก็คือชีวิตที่อธิษฐานอย่างสม่ําเสมอมีผู้ที่เปรียบเทียบบอกว่าอธิษฐานเนี่ยเหมือนกับลมหายใจนะครับลมหายใจเวลาที่เราหายใจเนี่ยพี่น้องครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรารู้สึกตัวไหมครับว่าเราลังหายใจอยู่ไม่ค่อยรู้ใช่ไหมครับนอกจากเราจะนั่งสมาธิแล้วหายใจเข้าหายใจออกเรากําหนดลมหายใจถึงจะรู้ว่านี่คือหายใจเข้าหายใจออกแต่ปกตินั้นการหายใจนั้นมันเป็นเรียกว่า อัตโนมัตินะครับอัตโนมัติคือหายใจเข้าหายใจออกมันเกิดจากความดันนะครับที่ความดันข้างในนะครับน้อยกว่าข้างนอกลมมันก็ดันจากข้างนอกเข้าไปข้างในเมื่อไรก็ตามที่ความดันข้างในมากกว่าข้างนอกนะครับลมมันก็ออกจากข้างในออกมาข้างนอกตรงนี้เองทําให้เรารู้ว่าทําไมพระมุทีเปรียบเทียบว่าการอธิษฐานนั้นเหมือนกับการหายใจเหมือนกับว่าเราหายใจ นะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับการอธิษฐานที่นี่บอกว่าเราจะต้องให้ท่าทีแห่งการพึ่งพระเจ้านั่นคือการอธิษฐานนะนะเป็นไปแบบอัตโนมัติตลอดเวลาเราจะมีท่าทีในการพึ่งพระเจ้าตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะคิดอะไรก็ตามเราจะเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับท่าทีแห่งการพึ่งพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเรานั่นแหละครับคือการอธิษฐาน สาละแห่งการอธิษฐานนี่นะครับก็หมายความว่าเราเนี่ยมีสิทธิพิเศษในการอธิษฐานกับพระเจ้าได้ตลอดเวลาและสามารถที่จะรับการปกป้องจากพระเจ้าได้ตลอดเวลาพระเยซูได้อธิษฐานเผื่อเราเมื่อสองพัปีที่แล้วนะครับอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ที่ติดตามพระองค์อยู่อธิษฐานเผื่อเราซึ่เป็นสาวกของพระองค์ติดตามพระองค์ในอนาคต2องพปีที่แล้วพระเยซูอธิษฐานว่าข้าพระองค์ไม่ได้ขอให้พระองค์เอาพวกเขาออกไปจากโลก แต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้จากซึ่งชั่วร้ายหรือจากมารร้ายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอธิษฐานนะครับมีคนถามว่าการอธิษฐานอย่างไรอธิษฐานคําสลับสวยไม่เป็นผมจะบอกว่าสาระแห่งการอธิษฐานไม่ใช่คําสละบสวยครับแต่สาระแห่งการอธิษฐานก็คือท่าทีในใจในการพึ่งพาพระเจ้าและเรียนแบบพระเยซูในการอธิษฐาน เปโตอธิษฐานขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะใช่ไหมครับเปโตอธิษฐานว่าขอพระองค์ประทานอาหารประจําวันกับพวกเราเพียงกับเราทั้งหลายเนี่ยเป็นผู้ที่พระเจ้าเลือกสรรพระเยซูอธิษฐานว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะก่อนประโยคที่ว่าขอโปรดประทานอาหารประจําวันกับพวกเรานั่นหมายความว่าอธิษฐานน่ยอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งแต่ต้องให้พระเจ้าเป็นที่ตั้ง ให้พระเจ้ามาก่อนให้ช you, ีวิตของเราเนี่ยจะทําอะไรที่ให้พระเจ้าพอพระทัยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอธิษฐานตามน้ำมันไทยของพระเจ้าอธิษฐานอะไรก็จะได้สิ่งนั้นบางคนบอกว่าอธิษฐานยังไงพระเจ้าฟังพี่น้องครับผมบอกว่าอธิษฐานพระเจ้าทุกอย่างเนพระเจ้าฟังหมดแต่พระเจ้าจะตอบแบบไหนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอธิษฐานที่ถูกต้องเรียนแบบพระเยซูในการอธิษฐานนะครับวันนี้ยังไม่ได้มพูดถึงเรื่องของการเรียนแบบพระเยซูอธิษฐานอย่างไรนะครับแต่ว่าผมจะบอกว่า เราอยากจะมีชีวิตที่อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอนะครับและอธิษฐานแล้วมีคําตอบจากพระเจ้าเราต้องเรียนแบบพระเยซูในการอธิษฐานพัมพีหนึ่งเปโตปรบทที่2ข้อที่9นะครับได้บอกอย่งนีครับว่าพวกเรานั้นเป็นชาติหรือชนชาติที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วแต่พวกท่านหลายหรือท่านหลายเป็นพงพันธุ์ที่ทรงเลือกสรรไว้แล้วเป็นปุโลหิตหลวงเป็นประชาชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า โดยเฉพาะเพื่อให้ท่านประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์เรียกคนออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมาสจ ร, รั์ของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้ามีภารกิจให้กับเรานะครับและเราจะสําเร็จภารกิจของพระเจ้าได้ด้วยการพึ่งพาพระองค์ก็คือการอธิษฐานนั่นเองแล้วต้องอธิษฐานในเรื่องนี้เสมอครับอธิษฐานยังไงครับอธิษฐานเพื่อที่ให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่นะครับอธิษฐานเพื่อจะนำวิ ญ, ญญาณของพระเจ้าให้แผ่นดินของพระเจ้าขยายออกไป อธิษฐานแบบนี้นะครับได้แน่นอนผมอยากจะบอกว่าหลายครั้งทีเดียวเนี่ยอธิษฐานเพื่อตัวเองในในรายล ะ, ละเอียดแต่ทําไมเราไม่ค่อยอธิษฐานเพื่อพันธกิจของพระเจ้าในการนําวิญญาณในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าอย่างละเอียดละออนบ้างละ่ะพี่น้องครับปุโรหิตมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการอธิษฐานติดต่อกับพระเจ้าในเพิ่มพีเดิมแต่ในสมัยของเราพวกเรานะครับเป็นปุโรหิตเหมือนกันครับนะ มีหลักคำสอนตรงนี้ว่า p i e a t e o o d ก็คือความเป็นปุโรหิตนะครับ of all believers ก็คือเราทุกคนที่เป็นผู้เชื่อเนี่ยเราเป็นปุโรหิตในพระพีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถอธิษฐานติดต่อกับพระเจ้าได้ครับมีมีประวัติศาสตร์ของคริสตจักรนะครับในบางยุคบางสมัยเนี่ยสอนว่าคริสเตียนอธิษฐานไม่ได้ต้องไปพึ่งบาทหลวงเท่านั้นถึงจะอธิษฐานได้นี่เป็นคาสอนที่ผิดเพี้ยนครับผมอยากกับพี่พน้องว่า เาทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับเราสาม า, ารถอธิษฐานโดยตรงกับพระเจ้าได้โดยผ่านทางใครครับมีผู้กลางอยู่คนเดียวก็คือพระเยซูเพราะฉะนั้นเราจึงจบคาอาธิษฐา น, นขอว่าในพระนามของพระเยซูคริสต์นะเพราะว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่ทำให้เราสาม า, ารถอธิษฐานโดยตรงกับพระเจ้าได้แต่อธิษฐานผ่านใครครับผ่านพระเยซูเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับ การอธิษฐานวิงวอนตลอดเวลานั้นไม่ได้เพียงแต่อธิษฐานเพื่อขอเท่านั้นแต่การอธิษฐานวิงวอนตลอดเวลานั้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าครับปุโรหิตสมัยพระคัมภีร์เดิมนั้นมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าคือเขาเป็นตัวกลางแต่เวลานี้เราเป็นปุโรหิตเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้านะครับโดยไม่ต้องผ่านคนกลางแล้วผ่านทางพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้กลางแต่คนเดียวเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าตลอดเวลานะฮะเหมือนกับการที่ลูกมีความสัมพันธ์กับแม่กับพ่อไม่สามารถตัดขาดออกได้เพราะฉะนั้นการที่เราไอ้ฐานอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็คือการสร้างความสําคัญความผูกการผูกความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าตลอดเวลานั่ น, น, นเองเพราะฉะ น, นั้นการอธิษฐานจึงกลายเป็นลมหายใจในแช่งง่ายปฏิบัตินะครับพี่น้องครับเราเต็มสินกับพระเจ้าได้ทุกเวลาทํางานก็คิดถึงพระเจ้าได้ รถก็คิดถึงพระเจ้าได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามก็คิดถึงพระเจ้าได้เจอปัญหาที่หนักใจก็คิดถึงพระเจ้าได้เชื่อว่าพระเจ้าสามารถช่วยเราได้คนที่มีความผูกพันที่ดีนะครับกับพระเจ้าเจออะไรก็นึกถึงพระเจ้าก่อนที่งโปรดฟังกันครับคนที่มีความสัมพันธ์ผูกพันกับพระเจ้าที่ดีเนี่ยพอเจออะไรในชีวิตของเขาเนี่ยเขาคิดถึงพระเจ้าก่อนคิดถึงพระเจ้าก่อนเวลาที่เราอธิษฐานเนี่ยเราทูลขอ จากพระบิดาโดยพระนามของพระเยซูและด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานกับพระบิดาใช่ไหมครับโดยพระนามของพระเยซูและด้วยความช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่คือตรีเอกานุภาพที่เราเห็นจากการอธิษฐานครับเพราะฉะนั้นถามว่าพระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างไรกับการอธิษฐานพระเจ้าเรียกร้องให้เราอธิษฐานพระเจ้าเรียกเราให้อธิษฐานนะครับพระเจ้าสั่งเราให้อธิษฐานอธิษฐาน กับพระองค์พระบิดาโดยพระนามของพระเยซูและด้วยความช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และนี่คือตรีเอกนุภาพในการอธิษฐานเมื่อเราคิดถึงสิทธิที่อำนาจในการอธิษฐานนะครับเราขอบคุณพระเจ้ามาเพราะว่าคริสเตียนเราเนี่ยมีสิทธิที่อำนาจในการอธิษฐานอไม่ว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่เราสามารถที่จะอธิษฐานได้เราดีหรือไม่ดียังไงหรือเงื่อนไขเป็นยังไง นะครับหรือไม่ใช่เพราะเราเป็นใครคนนั้นอธิษฐานได้คนนี้อธิษฐานไม่ได้คนนั้นอธิษฐานแล้วฟังพระคนนี้อธิษฐา น, น, น, น, น, แ, ล น, นแล้วพระเจ้าไม่ฟังไม่ใช่ครับเราทุกคนมีสิทธิที่พิเศษในการอธิษฐานเพราะฉะนั้นให้เรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับพระเจ้าเราอธิษฐานเมื่อไหร่พระเจ้าก็จะตอบนะครับให้เรารักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าตลอดเวลาอย่าให้ขาดเราจะได้พลังจากการอธิษฐาน เราจะมีกำลังในการเดินหน้าต่อไปก้าวหน้าต่อไปในชีวิตของเราและจะมีชัยชนะในชีวิตของเราก็ด้วยการอธิษฐานนี่แหละครับเพราะฉะนั้นมีคำพูดอย่างนี้นะครับว่าเป็นข้อคิดนะครับอธิษฐานมากเหนื่อยน้อยอธิษฐานน้อยพี่น้องครับเหนื่อยมากไม่อธิษฐานเลยเหนื่อยเปล่าเราพูดพร้อมกันดีหมครับอธิษฐานมากเหนื่อยน้อย อธิษฐานน้อยเหนื่อยมากไม่อธิษฐานเหนื่อยเปล่านะครับ<ๆ>นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากชีวิตของคริสเตียนที่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าและเขามีประสบการณ์ยิ่งใหญ่มากและเขาพูดอย่างนี้พี่น้องจะเชื่อไหมครับอธิษฐานมากเหนื่อยน้อยอธิษฐานน้อยเหนื่อยมากไม่อธิษฐานเหนื่อยเปล่าและยังมีชุดหนึ่งนะครับอธิษฐานมากยิ่งมีกําลังอธิษฐานน้อย ยิ่งด้อยกำลังไม่อธิษฐานยิ่งหมดกำลังอธิษฐานมากเรายิ่งมีกำลังมากนะครับอธิษฐานน้อยกำลังเราก็น้อยตามและไม่อธิษฐานไม่มีกำลังหลายใครั้งทีเดียวนะครับเวลาที่เราทำงานอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเรารู้สึกว่าไปไม่ไหวแล้วเพราะอะไรครับลองถอยกลับไปดูเราพึ่ง พ, พระเจ้าจริงๆหรือเปล่านะครับ อธิษฐานน้อยเกินไปไหมนะครับหรือพระเจ้าต้องการสอนอะไรเราในการพึ่งพาพระองค์ไหมประการสุดท้ายครับในเช้าวันนี้ชุดคําสั่งที่สก็คือชีวิตที่รู้จักขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีชีวิตที่รู้จักขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีร พ, รกกรณพุทธฟิลิปปีบทที่4ข้อที่หข้อที่7นะครับว่าอย่า ก, กระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยจะตรงทูล เรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าจงทูลพระเจ้าให้ทราบถึงทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานการวิงวอนและการโมทนาพระคุณก็คือการขอบพระคุณนั่นเองแล้วสันติสุขของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์นี่คือความชื่นบานครับสันติสุขก็คือความชื่นบานตรงนี้นะเพราะว่าขอโดยการอธิษฐานนะครับวิงวอนขอบพระคุณผมจะไม่พูดในรายละเอียดนะครับ แต่ผมอยากจะถามพี่น้องว่าเวลาอธิษฐานเนี่ยขอบพระคุณล่วงหน้าได้ไหมเวลาที่เราอธิษฐานนี่ขอบพระคุณล่วงหน้าได้ไหมคําตอบคือได้เพราะอะไรครับเพราะเรา ม, มีความเชื่อพระเจ้าตอบคาอธิษฐานและเพราะเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าตอบอธิษฐานตามแบบอย่างของใครครับของฉันหรือของพระองค์ของพระองค์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ว่าพระองค์เนรักเรามากกว่าเรารักตัวเองนะเรารู้ว่าพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์เนรักเรามากกว่าที่คนอื่นรักเรา เราเชื่อว่าพระองค์มีพระประสงค์ที่ดีและน้ำพระทัยดีเลิศประเสริฐมากที่สุดต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์ตัดสินพระทัยและส่งอะไรกลับเข้ามาในชีวิตของของเราเป็นคําตอบของการอธิษฐานนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดครับฉะนั้นจึงขอบคุณล่วงหน้าได้พี่น้องครับเราเคยข อ, ขอบใจหรือขอบคุณล่วงหน้าให้กับใครไหมครับเราต้องมั่นใจก่อนใช่ไครับว่าคนคนนั้นเนี่ยปรารถนาดี เราต้องมั่นใจก่อนว่าสิ่งที่เขาจะให้กับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าสําหรับความรักที่พี่น้องได้มีให้กันและกันเห็นไหมครับมั่นใจใช่ไหมครับว่าเราจะได้ความรักต่ อ, อ ก, กันและกันขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าที่พี่น้องจะอธิษฐานเผื่อกันและกันเรามั่นใจไหมครับว่าเส้นเส้นด้ายที่ผูกเราเข้าไว้ด้วยกันคือการอธิษฐานเรามั่นใจไหมครับว่าเขาจะอธิษฐานเผื่อเราขอบคุณพระเจ้านะครับผมอยากจะยกตัวอย่างจริงก็คือว่ามีแม่ขยกของเราท่านหนึ่งนะครับ ก็คือคุณออสนะ ค, คุณสมยศรัชนะชยโยโต้ท่านประสบอุบัติเหตุเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับที่ผ่านมาแล้วเราก็รู้วันอาทิตย์ตอนเช้านะครับพี่น้องในขึ้นสัจเนี่ยอธิษฐานเบือ่อท่านนี่คือความผูกพันครับเหมือนกับเส้นด้ายที่ถักทอแล้วก็ไหลเข้าด้วยกันและขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ได้ช่วยให้ท่านได้พ้นจากอันตรายพ้นจากสาภาวะที่อยู่ในไอซียแล้วก็รับการผ่าตัดและท่านกําลังหายดีขอบคุณพระเจ้าครับ นะครับมีท่านหนึ่งครับก็คือท่านผู้ปกครองอรนุษย์พันธุพงศ์เราอธิษฐานเผื่อท่านเพราะว่าท่านอกลมและมีปัญหาเรื่องกระดูกและก็เดินไม่ได้นะครับเวลานี้พระเจ้าก็ประทานและตอบคำอธิษฐานของเราอย่าครับหลายหลาครั้งทีเดียวเนี่ยเราจะขอบพระคุณล่วงหน้าได้ยังไงครับขอบพระคุณสําหรับการอธิษฐานเผื่อของพี่น้องได้ยังไงครับก็คือเรารักกันและกันไว้วางใจซึ่งกันแ ล, และเราห่วงใยซึ่งกันและกัน เราสามารถเวลาที่เรามีปัญหาเราละความกวนกวายครับพี่น้อง cast c a ก็คือเวียงเวียงเอาความกวนกวายความเป็นห่วงของเราเนี่ยนะครับให้กับพระเจ้าได้และมีอีกหลายๆเรื่องนะครับที่เกิดขึ้นในคริ้นจากของเรา น, นี้ยนะเวลานี้เราก็สามารถที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีและขอบคุณล่วงหน้าได้ครับผมอยากจะยกพัมพีก่อนหนึ่งครับ จงขอบคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์ขอบคุณทุกกรณีได้อย่างไงครับขอบคุณทุกกรณีหมายถึงขอบคุณในทุกๆสถานการณ์ได้ทุกๆเรื่องที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบสมหวังหรือผิดหวังดีหรือไม่ดีจะ่ทำอย่างนี้ได้อย่งไรครับก็คือคนที่มีประสบการณ์กับพระเจ้าเท่านั้นคนที่มั่นใจในความรักที่พระเจ้าให้กับเขาเท่านั้นถึงจะ เพรคุณพระเจ้าได้ในทุกๆ ก, กรณีคริสเตียนเรานั้นจะต้องม่นแน่ใจว่าชีวิตของเรานั้นอยู่ในแผนการของพระเจ้าเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเป็นเรื่องที่พระเจ้าอนุญาตให้เกิดจึงจะเกิดขึ้นได้ถ้าพระเจ้าไม่อนุญาตเกิดขึ้นไม่ได้ครับพระเจ้ามีน้ำมัไทยดียอดเยี่ยมให้กับเราทุกคนเพราะฉะนั้นจึงนําไปถึงพระคัมภีร์โรมบทที่แปข้อยี่บแปดนะครับหลายหายท่านท่องได้ตรงนี้ เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุกอย่างร่วมกันก่อผลดีแก่คนที่รักพระเจ้าคือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์เรียกตามพระประสงค์ของพระองค์อันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่2อง1อนะครับนะครับแต่เวอร์ชั่นเก่าหลายๆท่านท่องได้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งพี่น้องครับ <absence. S 1> เราแน่ใจครับเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งโลงมาที่แปดข้ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราพบกับความไม่ดีแล้วไม่ชอบนะฮะเวลาพบกับความทุกข์ยากระบาดอัด อ, อ่านพระบีข้อนี้ให้พระบีข้อนี้เนะี่ยซึมเข้าไปแล้วก็ทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เนี่ยนะครับได้ขับเคลื่อนพระบีข้อนี้เข้าไปในหัวใจของเรานะฮะเข้าไปในท่าทีเข้าไปในความรู้สึกเข้าไปในอารมณ์ของเราว่าพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งคําถามต่อไปคือเรารักพระองค์จริงหรือเปล่าเราพระรักพระองค์จริงๆหรือเปล่า เรารักพระองค์อย่างที่พระองค์ต้องการหรือเปล่านั่นแหละครับเราเชื่อฟังพระองค์นะครับความรักแสดงออกด้วยการเชื่อฟังครับเราได้เชื่อฟังพระองค์อย่างถูกต้องอย่างจริ ง, งจังจริงหรือเปล่าด้วยเหตุนี้ครับเราจึงขอบพระคุณพระเจ้าได้ตลอดเวลาผมอยากจะยกบุคคลแห่งความเชื่อท่านหนึ่งนะครับเป็นบนรรพชนซึ่งเกิดขึ้นในยุคใหม่นี้ก็คือท่านแมทธิวเฮนรี่ ท่านแมทธิวเฮนรี่เนี่ยครับท่านเป็นผู้ที่รักพระเจ้ามากศึกษาพระกัมภีเขียนเป็นคอมเมนต์ลี่นะครับเป็นเล่มๆนะครับเป็นสิบ0เล่มเลยทีเดียวท่านเป็นนักเทศที่มีชื่อเสียงมีวันหนึ่งครับขณะเดินทางไปเทศนาก็ถูกโจรวิ่งราวเอาเข้าของไปคนที่ผ่านมาก็บอกว่าโอ้ไม่น่าเลยนะท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ซื่อสัตย์มากเลยนะครับทาไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแมตติวเฮนรี่บอกว่า ท่านบอกว่าในเหตุการณ์ที่เกิดนี้มีอยู่สี่เรื่องที่อยากขอบคุณพระเจ้าเหตุการณ์เดียวนะครับคือโดนโจรวิ่งราวเนี่ยบอกว่ามีอยู่สี่เรื่องที่อยากจะขอบคุณพระเจ้าประการแรกก็คือว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะยังไม่เคยถูกวิ่งราวเลยพระเจ้าให้ประสบการณ์การถูกวิ่งราวนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตครับขอบคุณพระเจ้านี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีความรู้สึกว่าการถูกวิ่งราวเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับประการที่สองครับ ขอบคุณพระเจ้าที่คนที่มาวิ่งราวขโมยกระเป๋าเพมัะนั้นไม่ได้ทําร้ายร่างกายของข้าพเจ้าเลยให้เป็นประการที่สองนะครับประการที่สขอบคุณพระเจ้าครับแม้ว่าขโมยจะเอากระเป๋าไปทั้งใบแต่ข้างในมีเงินอยู่ไม่มากครับเงินน้อยไ ม, ไม่ได้เอาอะไรมากมายนะครับและประการที่สท่านบอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพเจ้าเป็นคนถูกวิ่งราว แต่ข้าพเจ้าไม่ได้เป็นนักวิ่งราวหมายความว่าข้าพเจ้าไม่ได้ยากไรยากจนจนต้องไปวิ่งราวเอาเข้าวของคนอื่นมองมองไปแล้วในสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกแต่ผมอยากบอกว่าไม่ใช่ครับแต่เป็นคนที่ติดสนทิทกับพระเจ้าแล้วเขาสามารถที่จะหาเหตุผลในการขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีต่างหากในนี่คือความสําคัญเป็นแก่นแท้ของคนที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเขาอธิษฐาน ขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีไม่ว่าเรื่องไหนก็แล้วแต่พี่น้องครับเรามาลองดูนะครับว่าการสิ่งที่ตรงข้ามกับการขอบคุณพระเจ้าคืออะไรสิ่งที่ตรงข้ามกับการขอบคุณพระเจ้าคืออะไรลองคิดออกไหมครับอะไรคือสิ่งที่ตรงข้ามกับการขอบคุณพระเจ้าคำตอบก็คือบ่นครับเสียงบน่นนะครับเสียงบน่นแทนที่จะขอบคุณพระเจ้าก็บน่น มีแก้วใบหนึ่งครับมีน้ำชาอยู่ในแก้วครึ่งแก้วครึ่งแก้วคนที่ขอบคุณพระเจ้าก็คือว่าเขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้ำชาครึ่งแก้วแต่คนที่มักจะบ่นเนี่ยบอกว่ามีแค่ครึ่งแก้วเองเหรอมีแค่ครึ่งแก้วเองเหรอแต่คนที่ขอบคุณพระเจ้าบอกแค่เนี่ยก็พอใจแล้ว เมื่อแก้วใบนั้นมีน้ำเต็มแก้วพี่น้องลองคิดดูนครับว่าคนที่ขี่บ่นเนี่ยเห็นน้ำเต็มแก้วเขาจะบ่นว่ายังไงครับใครเทน้ำจนล้นขนาดนี้นไหมครับคนที่ขี่บ่นว่าใครเทน้ำจนล้นขนาดนี้แต่คนที่รู้จักขอบคุณพระเจ้ า, าบอกว่าขอบคุณพระเจ้ า, าเพราะว่า ถ้วยน้ํำนี้เต็มล้นช่างวิเศษอะไรขนาดนี้พี่น้องครับคนที่รู้จักขอบคุณพระเจ้านะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยนะหรือเรื่องใหญ่ก็ตามเนี่ยเขาจะขอบคุณพระเจ้าได้แม้ว่าปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นเขาก็จะขอบคุณพระเจ้าได้ให้มาเรียนรู้กันนะครับฝึกนิสัยที่จะขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีและเขาจะบอกกับตัวเองว่าปัญหาที่เจออยู่อุปสรรคที่เจออยู่มันไม่ มากจนเกินไปผมอยากจะปิดท้ายคำเทศนาในวันนี้นะครับบอกว่าเวลาที่เราเจอพระเจ้าเราเจอปัญหาเนี่ยนะครับบอกว่าเราสั่งปัญหาหรือพูดกับปัญหาว่าโอ้ r ร b เบ m I have a big God นะครับแล้วก็บอกกับพระเจ้าว่าโอ้ oh, God I have a big problem บอกกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าข้าพรง์มีปัญหาใหญ่นะ บอกกับปัญหาว่าไอ้ปัญหาเอ๋ยข้ามีพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะนี่นะครับคืออาวุธในการที่เราจะทำสงครามกับปัญหาอาวุธในการที่เราจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆได้เมื่อเราเดมเนินชีวิตแต่ละวันให้เราอธิษฐานเผื่ออะไรบ้างครับเผื่อครอบครัวของเราเผื่อชีวิตแต่งงานของเรางานของเรา ลูกหลานของเราอธิษฐานเผื่อครินสจักรของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อคนอื่นๆอธิษฐานในทุกทุกสถานการณ์แม้ว่าสิ่งนั้นจะดูเหมือนว่าไม่มีหวังหรือหมดหวังหรือสิ้นหวังแล้วเพิ่งบอกว่าให้เรานำทุกสิ่งและทุกคนที่เกี่ยวข้องขึ้นมาอยู่บนแท่นบูชาให้คําอธิษฐานของเราเนี่ยเป็นเสมือนเครื่องเผาบูชาที่ทําให้พระเจ้าโรปรดปรานแล้วชีวิตของเรานั้นก็จะมีความชื่นบานเมืเม่อเราอธิษฐานสม่ําเสมอ และเมื่อเรารู้จักขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าอวย พ, อพรพี่น้องทุกท่านถ้าท่านอยากจะฟังต่อไปนะครับบ่ายนี้นะครับบ่ายสองโมงครึ่งผมจะเทศนารอบบ่ายว่าจะที่ฐานอย่างไรแล้วจะได้คําตอบจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวย พ, พรพทุกท่านครับ